แต่อย่าลืมว่าวิชาของเราเนี่ยนะที่เรียนทั้งหมดจะแบ่งรูปโดยแงย่มุมต่างๆก็ตามจะพูดอย่างไรก็ตามเพื่อจะบอกว่าบอกอะไรรูปนะรูปเพื่อจะบอกว่ามันเป็นรูปรูปปณลักษณะตายแน่สลายแน่ยังไงก็ตายเหมนันเอะมันจะเกิดมาจากตรงไหนมันก็ตายเราอยากจะพูดเท่านั้นแหละในทางธรรมะนะมีวัตถุประสงค์ อย่างนั้นจะไม่เหมือนทางการแพทย์จะได้ไปรักษาจะได้ไปอะไรเนี่ยนะวัตถุประสงค์ค่อนข้างแตกต่างกัน้องการจะแสดงว่าอันนั้นมันเกิดจากปัจจัยนี้นะเช่นรูปมีกรรมเป็นปัจจัยมีอุตุเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นปัจจัยผมก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ย ง, ยงนี่ยนะนี่คื อ, อทฤษฎีทางของคําสอนจะเป็นไปอย่างนั้นคือไม่ใช่ให้ไปเพลดิดเพลินกับกับสิ่งเหล่านี้เพื่อต้องการจะชี้ว่าตัวนี้คือตัวโรคนี่ยนะขันเหล่านี้คือตัวโรค เราเนี่ยคือภาระที่จะต้องจะต้องรับกันขึ้นที่จะต้องอแบกกันมาคนละห้าหกสิบเจดสิบกิโลเนี่ยก็ายจากจุดเล็กๆอันนี้นี่แหละก็ทางการแพทย์เขาศึกษาอย่างนี้แล้วเขาคนขา้นคว้าเขาวิจัยจนจะทัางเขารู้ว่ า, าการแบ่งตัวของเซลล์อย่างนั้นอย่างนั้นมันเกิดอย่างนั้นนะ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขามีความภูมิใจนะ <c oughs> ใน <c oughs> ในความพิสดารของของธรรมชาติของรูปเรานี่ยนะก็เขาเขาก็ภูมิใจนะเพราะมันเป็นอาชีพของเขาถ้าค้นคว้าได้มากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นฐานะการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าไอสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยนะสมมติถ้าวิจัยอัตมาว่าอัตมามีกี่เซลล์แล้วมันขยายพันธุ์ยังไงนะมาเกิดมาก็มาแบกภาระในโลกอีกเหมือนเดิม แต่ว่าศาสตร์สายนี้เนี่ยนะกับปานาติบาจะค่อนข้างมาคู่กันถ้าเป็นต้นตํำระบเรื่องนี้ตรงๆเลยนะกับปานาติบาเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านการไข้ควรวิจัยสิ่งนี้มาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตายมาเท่าไหร่เงี้ยคือคือสัตว์เนี่ยตายเท่าไหร่ที่ที่เอามาวิจัยเนี่ยนะเพราะว่าต้องเอาสิ่งมีชีวิตมาวิจัยเป็นหลักไง นั่นว่ากว่าจะรู้ไอการเจริญเติบโตการแบ่งออกแบ่งตัวแบ่งเด็กอยู่ในครนมันแบ่งตัวยังไงเนี่ยใครจะมาให้ดูท้องกันง่ายๆเอาถามว่าใช้วิธีใดในการวิจัยจนรู้ขนาดนั้นเนี่ยนะผานว่าผ่านการตายเท่าไหร่แล้อีกประการหนึ่งนะวัตถุประสงค์ที่มันต่างกันคือถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนั้นนะฮะเขาจะแก้ไขด้วยปาณาธิบาต ถือถ้าเกิดมันเกิดมันแบ่งเซลล์ที่มันผิดปกติอะไรนี่นะเขาจะรีบแก้ไขมันเลยเกเอามันออกอบ้างค<ช>ือขันห้ามันเป็นที่ดูผลบุญผลบาปใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองชีวิตดินซีเนี่ยชีวิตดินซีมันจะดีมันจะปูกพร่องนะกรรมสายปานาติบาสมันจะเข้ามาทีนี้ถ้าเด็กนั้นเนี่ย ปานาติบาตมาเบียดเบียนนะมันทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อปานาติบาตด้วยเนี่ยนะมันมันมันเป็นอุปนิสัยแก่กันนะนะสมมติถ้าเด็กนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าผลของปานาติบาตมาอุปปีและกกรรมแล้วละ่ะคนรอบๆข้างคิดวิบัติหมดเลยนะมันโดยโดยอุปนิสัยเนี่ยนะทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยน้อมไปเพื่อการทําลายเด็กคนนี้ซะ นันะก็นั่นก็วัตตะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว น, นนะอย่างที่ขามาถามคุณหมอเรื่อยๆว่าอาการคำว่าควบคุมการเกิดนี่คุมคนอื่นเกิดใช่ไหมคุมคนอื่นเกิดหรือคุมตัวเองเกิดห ค, คุมคนอื่นไม่ให้คนอื่นเขาเกิดมากนักเดี๋ยวมันจะล้นโลกแต่ฉันอยู่ไม่เป็นไรน่ะฉันอยู่ต่อไปได้ในโลกนี้ แต่คนอื่นนะอย่ามาเกิดให้เยอะๆนะมันลำบากดูแลแบบนั้นแต่ฉันไม่เป็นไรอย่างนั้นในน่ะในที่สุดนะชั้นข้างหน้าชั้นก็จะถูกห้ามเกิดเด็กเหมือนกันฉันจะเกิดในครันสักสองชั่วโมงเขาจะไล่ชั้นหนีอย่างงี้ยนะเกิดสามชั่วโมงก็ไล่หนีทีนี้จะออกจากคันหนึ่งไปสู่คันหนึ่งนะกว่าจะหาแม่ที่พอเขาจะเลี้ยงเราได้นะอู้อีกนานเลยอะ ก็ในยุคนี้ก็อย่างปัญหาเรื่องเกิดเกิ ด, ค ล, ดคลอดเนี่ยนะตามโรงพยาบาลต่างๆก็น่าจะมีปัญหาไม่ใช่น้อยใช่ไหมตอคลอดออกมาแม่ก็ไม่อยากเลี้ยงอีกที่ประเทศเยอรมันเขาเข า, เขามีถังไว้ถังหนึ่งเลยให้เอาท่อแม่คลอดออกมาไม่ต้องการเลี้ยงให้เอาไปไว้ในถังนั้นเดี๋ยวจะมีคนเอาไปเลี้ยงเองนั่นนะเขาก็มีถังให้อนะประเทศไทยยังไม่มีมั้งนะ คือไม่มีถังอันนั้นก็ก็มีว่าแม่บางคนคลอดเสร็จก็หนีออกจากโรงพยาบาลทิ้งลูกไปนนั่นแหล ะ, ละก็ถ้าเจ้าของโรงพยาบาลใจบุญก็เลี้ยงไป ก, ก็สักสามสิบกว่าได้เรียกว่าผู้ประสงค์อยากเกิดแต่ไม่อยากเลี้ยงนั่นก็การเกิดในในเป็นมนุษย์เนี่ยก็นับว่ายากอยู่แล้วใช่ไหม เกิดมาที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจนี่ก็ยาก น, น, นั่นการเกิดทั้งหมดที่จะกล่าวไปแล้วนี่มันเป็นเป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้รายละเอียดของการเกิดเราก็เรียนโดยคร่าวๆนะตามแนวพิธามว่าการเกิดขึ้นโดยโดยาการเกิดนี่นะ เขเรียกว่าปฏิสนธินามกับปฏิสนธิรูปเนี่ยนะเขาถืออย่างนี้เป็นหลักว่าในขณะปฏิสนธิเนี่ย น, นปะปฏิสนธินามกับปฏิสนธิรูปนามกับรูปพวกนี้มันเป็นปัจจัยแก่กันและกัน แต่นในในขณะปฏิสนธิเนี่ยนามไม่ใช่เป็นตัวสร้างรูปให้รูปเกิด น, นะเป็นเป็นปัจจัยในลักษณะสหชาตปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนามก็เกิดจากกรรมรูปก็เกิดจากกรรมแต่ตอนปฏิสนธิเนี่ยเขายกให้นามเป็นหลัก แต่จริงๆรูปมันเกิดจากกรรมนั่นแหละแต่ว่าแรกปฏิสนที่ยกให้นามเป็นหลักเพราะถ้านามไม่อย่างลงรูปก็อยู่ไม่ได้นะนะรูปก็อยู่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วทั้งนามทั้งรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันเพราะนามถ้าไม่มีรูปเป็นวัตถุให้นามก็เกิดไม่ได้นะนะทั้นตัวกรรมนี้ก็เป็นพวกนานักคณิกกรรมนะนะถ้าเป็น สหาชาตินี้ เ, เรียกว่าสหาชาตกรรม ะ, ะวิชาปัจจัยทั้งหลายเนี่ยเขาจะเรียนเริ่มเรียนพวกนี้มาพวกพวกปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะหลังการศึกษาพวกนี้ถ้าจะเข้าใจดีถ้าถ้าเรียนปัจจัยเนี่ยจะทําให้เข้าใจดีทีนี้นามเนี่ยซึ่งแบ่งทั้งจิตกับเจตสิกจิตเจตสิกดวงที่สองเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าภพปฐมผวังเนี่ยผวังอันนี้จึงทําจิตตชรูป ทำให้รูปเกิดขึ้นทีนี้รูปเกิดขึ้นไม่ใช่กรรมมชรูปนะกรรมมัชรูปก็ต่างหากแต่เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งที่มีเป็นผลของจิตแต่ถ้าเป็นกรรมมชรูปนะอันนี้ก็มาจากกรรมอันนี้ก็มาจากจิตนะทีนี้พอรูปเหล่านี้เนี่ยนะมีกำลังถึงทิฏฐิขณะรูปเหล่านี้ก็แบ่งแบ่งรูปขึ้นมาอีกเนี่ยนะรูปอันนี้เรียกว่ามี ปุตเป็นสมุทฐานทัานการเจริญเติบโตของรูปก็เป็นไปอย่างนี้โดยลำดับแต่ที่ของเราก็เน้นแบ่งว่ารูปมีสี่สมุทฐานนะส่วนหนึ่งมีกรรมเป็นสมุทฐานส่วนหนึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานส่วนหนึ่งก็ต้องอาหารจากมารดาใช่ไหมก็มีอาหารเนี่ยเข้ามาเลี้ยงอาหารไม่ใช่กรรมมชรูปอาหารที่ที่รับประทานก็ไปไม่ใช่ กรรมชโรบไม่ใช่จิตตชรูปไม่ใ ช, ช, ใช่อุตูชรูปที่ในนั้นแต่เป็นอาหารที่เข้าไปไปเสริมให้รูปเหล่านั้นอะเป็นไปได้ดํารงอยู่ได้เจริญเติบโตอยู่ได้นะรูปเหล่านี้ก็เกิดขึ้นโดยลำดับในส่วนของกรร ม, มชรูปนี้ก็เริ่มมีการแบ่งตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ตรงเนี้ยถ้าอยู่ในขันนะยกให้กรรมเป็นเป็นหลักใช่ไหมคือ คือถ้าอย่างการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยวิจัยจนอะไรเข้าใจตังเยอะแยะนะถ้าเด็กจะพิการเนี่ยแพทย์ทําให้มีตาได้ไหมแต่งให้มีตาตั้งแต่อยู่ในครันทําได้ไหมไม่ได้เพราะนแผลทั้งหกนะตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบามีการเป็นสมุทรเนีย่ยนะไม่มีใครมีอํานาจไปไปสร้างมันได้อย่างจริงๆถึงถึงไปแต่งก็ไม่รู้จะไปแต่งเงยยังไงใช่ไหม แต่งตาเนี่ยแต่งยังไงอยู่ในคันใถ้าเกิดมาเนี่ยเด็กมันมันมีแต่โปงโปขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งออกเป็นเท้าเป็นอะไรอย่างไงเหมือนประมึกไปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือไปแบ่งยังไงให้มันมีตาออกมาแล้วให้มีจมูกเนี่ยแบ่งยังไงให้มีปากไม่ไปแบ่งได้ยังไงมันมันทางการแพทย์สมัยใหม่ถึงทํำยังไงก็ไปแบ่งไอแบ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ารูปเหล่านี้ทางธรรมะชื่อว่ามีกรรมเป็นสมุฐาน ตรงนี้คํามองอีกด้านหนึ่งนะการที่เรามีร่างกายขึ้นมาเนี่ยเป็นการก่อตัวของมหาพูตธลูกทั้งนั้นเลยแต่เป็นมหาพูทธลูปที่มันเกิดจากแหล่งต่างๆจากเหตุต่างๆจากเหตุต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเพราฉะจะเห็นว่าอ๋อมหาพูทธลูกคือมามาจากมหาพูตธลูกนั่นแหละก็ค่อยเสริมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่คือทางเรานั้นแบ่งลักษณะนี้หนึ่งนะ อ, อผลเนี่ยคือรูปผลเนี่ยคือรูป เหตุบางอย่างก็มาจากรูปเหตุบางอย่างก็มาจากนามทีนี้เหตุที่มาจากนามก็แบ่งออกเป็นสองนามใกล้กับไกลไอ้พวกไกลนี่มาจากกรรมถ้าใกล้ๆก็มาจากจิตและเจตสิกจริงกรรมก็คือจิตเจตสิกอะนะแต่มันไกลอะมันไม่ใช่ขนะนั้ น, น, น เพราะฉะนั้นผลของรูปเนี่ยนะรูปก็มาจากรูปเป็นปัจจัยบ้างมาจากนามที่เป็นปัจจัยบ้างทีนี้ในส่วนของรูปก็แบ่งอีกว่ารูปที่มาเป็นปัจจัยเนี่ยมันรูปอะไร น, นะมาจากกรรมชะรูปหรือมาจากตัวรูปนะถ้ากรรมชรูปจิตชรูปอุตุชรูปหรืออาหารชรูปเนี่ยนะก็แบ่งมาจากรูปเ ห, เหล่านั้นนะเป็นปัจจัยรูปเหล่านี้จึงจึงมีขึ้นนะ พะรูปเหล่านี้มาแบ่งๆในร่างกายของเราก็มีประมาณ27ชนิดด้วยกัน27ชนิดประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ตามสมควรเช่นว่าถ้ามหาภูตรูปที่อยู่ในตาอุปาทายรูปก็มีอยู่กี่รูปดีก็ตามสมควรแก่ตาใช่หมมหาภูตรูปที่เป็นหูที่อยู่ในหู รูปที่อาศัยหูก็จะเป็นรูปอีกกล่มหนึ่งะนะที่เป็นไปอย่างนี้แต่ว่าสรุปท่านก็อยากจะบอกว่ารูปมันฆ่ารูปนามมันฆ่ารูปรูปมันฆ่านามนามมันฆ่านามในที่สุดตายอีกทางสมัยใหม่เนี่ยเขายังเข้าไม่ถึงว่าให้นามมาทำเนี่ยมันไปก่อให้เกิดรูปธรรมได้เนี่ย ยังไม่ไปถึงไหนเลยนามธรรมก่อให้เกิดรูปธรรมเนี่ยนามธรรมจิตทำให้เกิดมหาพูตรูปได้เนี่ยนึกไม่ถึงครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่แม้แต่นามธรรมแล้วแต่เขาเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องจิตทัศนศัตรหร์อะไรเลไม่พูดถึงจิตเลยนะก็จะรูปต่รูปนั่นนะคือโดยทั่วๆไปนะทางทางทางาวโลกไม ต่อเมื่อมีสีหรือมีเสียงหรือมีกลิ่นนะมาเป็นเครื่องวิจัยนะวิจัยโดยใช้วิจัยสีบ้างวิจัยสีบ้างวิจัยแต่กลิ่นก็น้อยนะแต่โดยทั่วๆไปก็อยู่กับสีกับกับเสียงในชะ่ไหมอา่าในบางส่วนก็ อ่าลงรายละเอียดแต่ว่าพ้นว่าเอาไปรวมรวมทึกแบ่งแบ่งแยกแยกยังไงก็แบ่งอยู่ในสีเพราะอย่างสมมติว่าถ้าใช้ต้องดูว่าประสาทสัมผัสที่มาใช้เรียนเรื่องรูปเอาอะไรมาเอาทวารไหนไปเรียนอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเพราะฉะถ้าใช้ทวารตาไปเรียนโดยหลักมันก็เอาสีเป็นเป็นเป็นหลักนะถ้าใช้ทวารหูไปเรียนก็ใช้หูเป็นหลัก แต่เบื้องหลังข้องสีกับเสียงนั้นน่ะนะประกอบไปด้วยมหาภูตรูปถ้าเสียงก็ดูได้เฉพาะรูป2สมุธฐานเท่านั้นคือจิตกับโอโตุถ้าสีสีจากกี่สมุธฐานสีสมุธฐานน่นะทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชาติดีเนี่ยนะก็ปฏิจจสมุปบาทคำว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่ วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเนี่ยนะแล้วก็นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเนี่ยนะนี่ศัพท์ว่าชาติศัพท์เดียวนี้อมอมเนี่ยอมวิญญาณนามรูปสลายตนะอ่านะแล้วก็พอประสาสัมผัสพออายตนะมีกำลังใช่ั้ยก็เกิดผัสสะเนี่ยนะผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนา นี่ถ้าถ้าจะแยกไปเนี่ยนะถ้าอาวัยยตนะมาตั้งก็ต้องไล่เช่นว่าตาตานี่มาจากอะไรมาจากรูปใช่ั้ยรูปคือมหาพูดมหาพูดที่มีกรรมเป็นมหาพูดรูปเนี่ยมหาพูดทําเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะคือตามาจากกรรมมะวิญญาณ มหาพูดอันน <is> ี้มาจากกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารคือกรรมเป็นสหชาตปัจจัยแก่กรรมวิญญาณกรรมวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่ตาตาก็เป็นปัจจัยแก่ภาษะภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาพันธะไล่ไปตั้งแต่ อายตนะเนี Jetzt, ่ยนะสลายตนะเนี Hope, ่ยสาวสาวไปหาไปเรื whenever, ่อยเช่นว่าหูหูคืออะไรก็หูมาจากไหนมาจากมหาพูดมหาพูดมาจากกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยนนสังขารคือกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยปัจจัยตัวที่สําคัญนี่ก็แบ่งออกเป็นสองชุดคืออวิชากับตันหาอันน ถ้าพูดอวิชชาที่ใดตันหาก็พูดที่นั่นถ้าพูดตันหาที่ใดอวิชชาก็พูดที่นั่นเรียบร้อยแล้วท่านก็ตัวสังขาร น, นี่เป็นอนิสงของอวิชชากับตันหาท่านก็กรร ม, มวิญญาณก็เกิดขึ้นนะเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะสลายยตนะก็เป็นปัจจัยแก่ภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาะ ก็ลองสาวๆไปไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ที่ที่หน้าศึกษาในการเกิดขึ้นเนี่ยนะตัณหาเนี่ยอย่างที่คุ้นเคยกันบ่อยๆว่าตัณหาในสีเพลิดเพลินในสีเป็นปัจจัยให้เกิดมหาพูดที่จะมีผลเป็นตาถ้าตัณหาในเสียงอันนะตัณหาอันนี้เป็นอุปนิสัยนะไม่ใช่กรรมมาปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยแกมหาพูด มหาพูดอันนี้เป็นตัจใจให้มีหูถ้าตัณหาในกลิ่นเป็นอุปนิสัยแก่มหาพูดมหาพูดทำให้เกิดจมูกฐานะภสาทะาถ้าตัณหาในรสตัณหาในรสก็เป็นอุปนิสัยแข่งมหาพูดมหาพูดเป็นตัจใจให้เกิดเกิดลิ้นชิวหาภาษาทะาถ้าตัณหาในโพธภะนะยินดีในโพธภารมเนี่ยนะ ก็เป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดก็เป็นปัจจัยแก่กายภาสาทะถ้าตันหาในภาวะหรือในเพศนะนะตันหาพวกนั้นอ่ะเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่ภาวะรูปถ้าถ้าว่าแบบตรงๆงเลยนะไม่ไม่เอาเรื่องศีลธรรมมาจับเนี่ยแบบตรงตก็ถ้าตันหาในผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายนะถ้าผู้หญิงชอบผู้ชาย ปัญหานั้นเป็นตัดใ จ, จให้เป็นหญิงตลอดไปถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงก็เป็นตัดใ จ, จให้เป็นผู้ชายตลอดไปแต่ถ้าเริ่มผิดการเม่ปั๊บชิ่งทันทีล้ระบบมันเปลี่ยน <S <S เช่นว่าถ้าผู้หญิงผิดการเม่ก็ดูจะหญิงขาวรอยู่เหมือนกัน น, น, นะนะหรืออาจจะแวบไปเป็นกระเทยบ้างเป็นอะไรบ้างถ้าผู้ชายก็กลับไปเป็นผู้หญิงได้อะไรเงี้ยเลวัตตะมันก็วนๆกันอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวก็เป็นชายบ้างเดี๋ยวก็เป็นหญิงบ้างเพราะเราก็ชอบไปเรื่อยนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ผู้หญิงไปแล้วกลับมาเป็นผู้ชายไม่ค่อยมากเนี่ยนะก็ก็แต่ไม่แน่นะเพราะหลายๆคนเขาทาบุญเ้าก็ตั้งความปรารถนากันแต่ถ้าทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาสําเร็จไหมก็บอกว่าสําเร็จเนี่ยนะก็ทําบุญแล้วอธิษฐานเอาก็แล้วกั น, น, อก น, กนยอมบางคนก็บอกเออดีเป็นผู้ชายจะได้ไปบวชสักทีนึง นี้ในถ้าเป็นหัตถะละหัยะก็พวกธรรมตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยที่สำคัญให้เกิดมหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่หัทยะขึ้นเฉะนั้นในทางธรรมะเนี่ยถือว่าตันหาเป็นอุปนิสัยที่สำคัญทีนี้ตันหาเนี่ยถ้าบุคคลใดยังข่มไม่ได้ปล่อยให้มันได้ปัจจัยแล้วเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยนะ มันจะไปดึงไอ้สังขารเนี่ยมาให้ผลสังขารถ้าของสมมติของชาติที่แล้วมาให้ผลชาตินี้นะมีดวงเดียวคือดวงที่เจ็ดไปดึงเอาของชาติที่แล้วมาใช้ชาตินี้ได้แค่ขณะเดียวคือขณะที่เจ็ดเท่านั้นแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไปดึงเอาดวงที่สองถึงดวงที่6กเมื่อแสนโกดกลับมาให้ผลด้วยสิยนะไปดึงเอามาเมื่อแสนโกดกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าเออเนี่ย กรรมอันนี้ที่มาให้ผลตอนนี้มันมาจากกรรมที่ไหนทำเมื่ อ, อไรก็เหมือนกับถามว่าเออเนี่ยที่ยกแขนขึ้นเนี่ยมาจากข้าวเม็ดไหนข้าวเม็ดไหนให้พลังงานยกแขนขึ้นเนี่ยนะตอบได้ไหมนั่นนะไล่ไปถึงเม็ดนั้นนะ่ะเอามาจากรวงไหนนะมาจากเอาถ้าเป็นอาหารนะี่ะมาจากโรงสีไหนแล้วโรงสีมาจากนาเจ้าไหนเอามาขายให้แล้วเจ้านะ่ะมาจากแปลงไหนไล่ไปอย่างนี้ก็แล้วใครเป็นคนปักเป็นคนดาเนี่ยนะ ไล่ไปขนาดนั้นเนี่ยดูถ้าไม่บ้าก็บัวมาเนาะเพราะในทางธรรมะก็เหมือนกันบอกว่าเรื่องกรรมนี่อย่าไปคิดในลักษณะแบบนั้นไม่ควรคิดว่านี่นะเช่นว่าวิบากที่รับจอ น, นี้นะหูตัวนี้มันเกิดจากกรรมอะไรกรรมนั้นทําที่ไหนทําเมื่ อ, อไรทํากับใครทํำยังไงก็บอกว่าง่ายมากเขาบอกทําทบุญแล้วปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและจักรู้เองเนี่ยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นให้รู้ว่ามาจากกรรมก็พอนะรวมๆ ว, ว่าเนี่ย มาจากกรรมนะที่มีสัทธาตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้นะเพราะฉะนั้นในทางธรรมะบางทีก็บางบางรายละเอียดนะนะพระ อ, องค์ก็ยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนไข้คนหนึ่งถูกธนูนะนะถูกธนูยิงมาเนี่ยนะไปให้หมอผ่าตัดให้ทีนี้หมอก็ถามว่า เออเนี่ยธนูเนี่ยใช้อะไรเหลามาใช้ไม้ไผ่หรือใช้อะไรเหลามาแล้วขนนกอะไรยาพิษผสมไปด้วยอะไรบ้างใครยิงยิงกลางวันหรือยิงกลางคืนยิงที่ไหนยิงเมื่อไรทําไมเขาจึงยิงเนี่ยนะถามว่ามันภาระของหมอไหมที่จะต้องไปอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องสมัยนี้ยิง่ายเลยนะลูกปืนเนี่ยทามาจากโรงงานไหนใครเป็นคนยิงยิงทําไมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ต้องผ่าและตายก่อนละนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะมานั่งแจกแจงรายละเอียดกับ ทุกคนได้ขนาดนั้นคือไม่มีเวลาพอขนาดนั้นแต่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลหลักๆเพราะการรู้เหตุผลเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เพื่ออะไรประโยชน์ก็คือเพื่อละหนึ่งเหตุผลนะหนึ่งละความสำคัญว่าเป็นสัตว์หรือที่เราเรียกว่าอัตตาเนี่ยนะเหตุผลที่พระองค์แสดงนะสองที่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดเพื่อละอุเฉททิฏฐิ และสามลัทธิผู้สร้างอันนี้คือเหตุผลที่ที่พระ อ, องค์แสดงว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเป็นผลเนี่ยนะที่เชื่อมเหตุกันมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นตน่การเกิดขึ้นในภพต่างๆนั้นมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยนะที่ทำให้ให้เกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าสิ่งใดก็ตามที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ ไม่เที่ยงนะนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงอันนี้แหละโอ้โหนำมาซึ่งภาระบาลเลยใช่ไหมว่าชาติปิทุกขาเนี่ยนะชาติปิทุกขาค<ม>งทบทวนนะถ้าผู้ใดยอยากรู้รายละเอียดเรื่องชาติดีๆนะให้เพ่งพิจารณาไปที่สลายตระนกก่อนที่มีอยู่แล้วก็สาวไปหารูปกรรมวิญญาณเนี่ยนะรูปก็คือมหาพูดแล้วก็สาวไปหากรรำกรรมทั้งหลายและเนี่ยนะนะ ทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยนะถามว่าอยู่ในปริญญาชั้นไหนบอกว่าเป็นยาตะปริญญาทั้งหมดนะเป็นปริญญาชั้นล่างๆทีนี้ที่พระองค์แสดงว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกสารพัด สารพัดชนิดเนี่ยนะก็มาดูว่าท่านบอกว่าบัดนี้เพิ่งทราบข้อว่าเพิ่งทราบอัถฐแห่งชาติเป็นทุกข์จริงอยู่ชาตินี้ตัวเองไม่เป็นทุกข์คือตัวชาติขณะ ท, ที่เกิดนี่เป็นทุกข์หรือไม่ไม่เป็นจึงเรียกว่าตัวมันเองไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนะเพราะมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรตัวขณะ ท, ที่เกิดเนี่ยนะแต่ตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ ถามว่าก็ชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยเป็นไนตอบว่าชาตินี้ชาติคือการเกิดนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกขนั้นแม้ทั้งหมดเช่นว่าถ้าเกิดในอบายละ่ะก็ทุกในอบายละ่ะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ด้วยสา ม, มารถอุปมาในพระสูตทั้งหลายมีภาระ บ, บัณฑิตสูตรเป็นต้นอะไรถ้าเขาไม่เกิดในนรกเนี่ยทุกในนรกจะมีไหมถ้าไม่เกิดในเปรตนะนะ ทุกของเปรียดจะมีไหมถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทุกของเดรัจฉานจะมีไหมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทุกอันต่างด้วยการอย่างลงสู่คันมารดาเป็นมูลเป็นต้นเนนะี่ยนะเกิดในท้องแม่แล้วทุกอย่างไงแม้กระทั่งนี้ขนาดมาเกิดในมนุษย์โลกแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ก็ทุกในนรกก็ถือว่าผ่านไปนะเพราะถ้าไม่ปิดอบายก็หวังว่าอย่าไปเลยนะ่นี่ย ทกในเปรตนะก็เขาขี้จักูดเนี่ยมันเขาที่โหมันสัมพันธ์กับเรื่องเปรตจริงๆคือไอเมืองราชครึกเนี่ยมันเป็นนครเปรตอยู่เมืองหนึ่งมันล้อมอยู่เนี่ยนะมันมันเป็นเมืองเปรตที่ที่มันล้อมอยู่คือเมืองนั้นอ่ะมันเป็นเมืองพิเศษว่าไอเมืองราชครึกเนี่ย ข้างเขาเวปุระบัรพศเนี่ยมันมีไอ้แก้วมณีอยู่แก้วหนึ่งที่มันเป็นแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอยู่ที่ภูเขานั้นนะแล้วก็ปกติเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ยักรักษาอยู่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลถ้าผู้มีบุญมาเกิดเมืองนี้ก็จะสร้างเป็นเมืองถ้าไม่มีผู้มีบุญมาเกิดมันจะเป็นเมืองร้างอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเมืองร้างอยู่ยแล้วก็ มันจะมีไอ้นครแห่งเปรตอยู่นครหนึ่งล้อมนะท่านถ้าเรียนเรื่องเปตวัตถุนะมันจะพันๆเกี่ยวกับเมืองราชคฤกตลอดเล ย, เยนไหนะนะเคเ ด, ยคเดียวนี้มันก็อยู่แต่ว่าไม่มีคนเห็นสมัยนั้น่ะสมในคัมภีรก็คือภาพมหาโมกขลราณะท่านเห็นแล้วท่านมาเล่าให้เราฟังนะแต่ถ้าไปตอนนี้ก็คงไม่สายก็คงจะพอเห็นอยู่ แต่เห็นมนุษย์ที่เหมือนเหมือนกับในคัมภีร์ท่านว่านั่นแหละเรียกว่าเหมือนกับมนุษย์เปรตเนี่ยนะขาข้างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยตาบอดมแมลงวันตอมพร้อมกระลองกองอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่านแล้วก็ไปเห็นแล้วก็พอนึกถึงในคัมภีร์ได้อยู่หรอ ก, ก น, นะมนุษย์เนี่ยนะที่เป็นลักษณะมนุษย์เปรตนี้มีไม่ใช่น้อยนะก็ยังเป็นภาพที่จําค่อนข้างแม่นนะนะหวังว่าคงไม่ไปเกิดแบบนั้นอีก ทีนี่มาดูทุกที่อย่างลงสู่คันมารดาเป็นมูลอย่างเราๆท่านท่า น, นทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจริงอยู่สัตว์นี้เมื่อบังเกิดในท้องมารดามิได้บังเกิดในที่ทั้งหลายมีดอกอุบลดอกประทุมและดอกบุญธริกเป็นต้น น, นะคือแปลว่าไม่ได้ออกมาจากดอกบัวไร ร, รอกว่างั้นโดยที่แท้ย่อ บ, บังเกิดในบริเวณท้องที่น่าเกลียบอย่างยิ่ง น, นะเป็นการหมกอยู่ในป่าใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นยิ่งนักดีกาท่านอธิบายบอกว่าไม่เคยล้างมาเลยกี่สิปีมาแล้วละ่ะถ้าแม่อายุ30ิก็ไม่เคยล้างมา30ปีนั่นแหละว่างั้นมันก็มันจะไม่เหม็นได้ยังไงว่างั้นถ้าแม่อายุสี่ิก็ไม่เคยล้างมา40ปีอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่ามันกลิ่นเหม็นยิ่งนักอบอวนไปด้วยกลิ่นอสุภาษต่างๆเช่นกลิ่นน้ําดีกลิ่นสเลดกลิ่นน้องกลิ่นเลือด น, นะเนี่ยกลิ่นอุจาระปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะก็พันๆ พ, พนๆอยู่แถวนั้นแหละมันมืดตื้อแับแคบยิ่งนักนะัเนี่ยก็ใครจะไปจุดสปอตไลท์ไว้ข้างในเน่ยนะมันก็มืดอยู่แล้วละ่นะก็ไม่ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรในท่ามกลางพื้นท้องและกระดูกสันหลังภายใต้กระเพาะอาหารใหม่บนกระเพาะอาหารเก่าก็คือไอคำว่ากระเพาะอาหารเก่าก็คือมดลูกเนี่ยมันตั้งอยู่ข้างบนไส้ตรงใช่ไหมตั้งอยู่สูงไส้ ตั้งอยู่ตำแหน่งสูงกว่าไส้ตรง น, นะก็เลยแล้วก็นบนกระเพาะอาหารเก่าคําว่าอาหารเก่าก็คือไส้ตรงนั่นแหละเหมือนหนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าในขนมบูดและน้ําครัมเป็นต้นสัตว์นั้นบังเกิดในท้องนั้นแล้วถูกไออุ่นที่เกิดในท้องมารดาสิบเดือนอกดุดหอกเข้า น, นะกี่องศาถูกอบกี่องศาประมาณ37องศา อันนะั้องศาเนี่ยอบมาตลอดนะก็เหมือนกับเข้านึ่งตลอดนะเหมือนกับนึแป้งแป้งถูกนึ่งแล้วก็เว้นจากกาเว้นจากอาการมีการคูเข้าการเหยียดออกเป็นต้นอนนั้นะก็จกอยู่นะมันจะไปตีรังกาได้สักกี่รอบเชียวใช่ไหมเด็กอยู่ในคันแคบๆอย่างนั้นอันนะมันก็จะไปคูไปเหยียดไปเดินไปเหินที่ไหนก็อยู่ในนั่นแหล ะ, สะเสวออยู่ซึ่งทุกมีประมาณยิ่งแหล่ทุกนี้เรียกว่าทุกมีการอย่างลงสู่คันเป็นมูล สิบเดือนเลยนะก็ผู้ที่เคยเคยบริหารคันก็คงรู้นะว่าก็คือนึกสภาพว่าเออถ้าเราอยู่ในคันก็ก็ลักษณะนั้นนั่นแหละ อ, อันหนึ่งสัตว์นั้นย่อมเสวยทุกใดมีประมาณยิ่งด้วยการภาคเพียนของมารดามีการคร่าไปคร่ามาสัต์ลงสัต์ขึ้นบนในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายมีการเลื่อนทลาการเดินการนั่งการลุกการหมุนตัวเป็นต้นโดยพลผลัน เหมือนลูกแพะที่อยู่ในเงื้อมมือของนักเลงสุราและเหมือนลูกงูอยู่ในเงื้อมมือของหมองูนะ